เป็นคนเสพติดความเศร้าเช่นเพลงเศร้าหรือชอบนั่งนึกเรื่องเศร้าและสุขลึกๆจะให้ออกจากอาการเสพติดนี้อย่างไรน้องดีเจคนหนึ่งบอกผมว่าจากประสบการณ์การทำงานตรงของเขามีคนที่เสพติดอารมณ์เศร้าเป็นจํานวนมากสังเกตได้จากการขอเพลงเศร้าเพื่อทับถมอารมณ์เดิมให้เข้มข้นขึ้น หรื อ, อยังน้อยก็เลี้ยงอารมณ์เศร้าไว้ไม่ใช่อยากทำลายให้หายไปดูดูแล้วก็คล้ายคนที่อยู่ในหลุมดำและไม่ยอมให้ตัวเองออกมาอย่าว่าแต่จะพยายามดิ้นรนบางคนปากบอกไม่อยากเศร้าแต่ใจติดเข้าไปเต็มๆชอบอัดความเศร้าเพิ่มราวกับเป็นพวกรักการทำร้ายตัวเองคุณลองนึกถึงคนติดยาแบบต้องเสพอะไรเป็นบ้อง เสร็จจากป้องหนึ่งยังไม่พอขอต่ออีกนั่นแหละอาการเดียวกับภาพคนเสพติดความเศร้าจากเพลงเพลงสมัยนี้ถึงใจกันจริงๆทั้งอารมณ์ดนตรีและการใช้คำทำได้ยิ่งกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่วัยรุ่นที่มีซอฟต์แวร์ประเภท Home Studio ก็มีสิทธิ์สร้างดนตรีที่เนี๊บกว่ามืออาชีพสมัยก่อนผมเคยได้ยินเด็กวัยรุ่นคุยกันบนรถเมล์ล้่ทึ่ง คือพูดกันเรื่องซ้อมดนตรีแล้วก็พูดถึงทฤษฎีดนตรีกันแบบที่ผมฟังไม่รู้เรื่องต่างจากยุคผมที่เล่นกันมั่วๆเอาสนุกโดยไม่คิดอะไรมากจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าการแข่งขันทางดนตรีระดับมืออาชีพจะยิ่งถึงพริกถึงขิงขึ้นทุกวันทั้งในแง่าการย้อมใจให้ติดและทั้งในแง่ใช้คาให้โดนจริงๆแล้วเพลงไม่ใช่ต้นเหตุของความซึมเศร้าเพราะคนมีความสุข พอฟังเพลงเศร้าก็แค่เอาไพเราะฟังแล้วก็ผ่านผ่านไปเดี๋ยวก็หันไปมีความสุขกับสิ่งอื่นแต่กับคนมีความทุกข์เพลงเศร้าจะมีบทบาทในการหล่อเลี้ยงอารมณ์โศกให้มีอายุยืนยาวและต่อยอดความคิดให้ฟุ้งกระจายยิ่งยิ่งขึ้นบางทีไม่เคยคิดก็มาคิดเอาตอนเจอคําดนๆในเพลงนั่นเองเพราะมันแทงใจ หรือคลายใจถูกกระทึบมาก่อนหน้าแล้วชอบอยู่ลึกๆเลส่าแก่ใจที่มาโดนบทขยี้ซ้ำโรคซึมเศร้าที่มาพร้อมกับความรู้สึกสังกตายอยู่ไปวันๆให้มีแต่เพลงเลี้ยงอารมณ์โศกนั้นเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักอย่างที่เราเห็นข่าวแล้วไม่เข้าใจทำไมเรื่องแค่เนี้ยต้องฆ่าตัวตายทาไมแค้นแค่นี้ต้องฆ่ากันทาไมพูดกันดีๆไม่ได้ต้องลงมือลงไม้ ทำไมมีหน้าที่การงานดีๆไม่ชอบชอบเข้าไปอยู่ในคุกเป็นต้นคําตอบก็คือคนเศร้าได้จัดการบิ้วอารมณ์ตัวเองเรียบร้อยจากที่แค่เศร้าเพราะ อ, อกหักกลายเป็นแค้นสั่งตายไม่ตัวเองตายก็คนอื่นตายขอให้มีการตายเถอะฟังคํานี้อัดใส่หัวไว้แยะแล้วก็ไม่ต้องไปขอให้คนทําเพลงช่วยแต่งเพลงสร้างสารรค์นะครับ เราแต่งออกมาแล้วไม่ค่อยทำเงินอันที่จริงเพลงสร้างสารรค์มีเยอะแต่คนอกหักไม่ค่อยเลือกฟังกันหรอกนี่ก็เป็นทำนองเดียวกับที่เดี๋ยวนี้มีธรรมะอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและทุกภาษาทั่วโลกแต่ก็เหมือนคนอกหักจะอ่านไม่ออกจะอ่านออกหรือฟังได้ก็แต่ถ้อยทำนองชวนให้สงสารตัวเองหรือเรียกร้องให้คนอื่นมาสงสารมาช่วยอุ้มกลับไปหาคนรักเก่าหรือพาไปหาคนรักใหม่ ที่ดีกว่าเดิมได้เท่านั้นใครเห็นคนใกล้ตัวกำลังจะจมน้ำเพราะความรักหรือเพราะติดเสียงเพลงกระนำซ้ำอารมณ์เศร้าก็อาจเปลี่ยนเสียงเสี้ยใหม่เลือกเอาเนื้อหาที่น่าฟังและมีอำนาจมากพอจะถอนจิตคนเศร้าออกจากอารมณ์หลงจมน้ำผมขอเสนองานชิ้นหนึ่งคือรักแท้มีจริงซึ่งคนอ่านหลายคน ให้ผลตอบรับกลับมาว่าช่วยได้หมายเหตุผู้อ่านสำหรับหนังสือเรื่องรักแท้มีจริงสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีที่เว็บไซต์ดังตริน .com นะครับขอแนะนำเพิ่มเติมกับเสียงอ่านที่ผมจัดทำไว้เช่นกันอยากให้ลองไปฟังกันนะครับซึ่งทำไว้หลายเรื่องเช่นรักแท้มีจริงและรู้จักรักเป็นงานเขียนของคุณดังตรินและอีกเรื่องที่อยากแนะนาก็คือ กรรมกับความรักเป็นหัวข้อหนึ่งในหนังสือวิธีทาบุญแก้บรรเทากรรมฟังได้จาก YouTube ช่องโจโจเสียงธรรมออฟิเชียลหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โจโจดอทนะครับ